ตอนที่28แสงจันทร์คืนนี้ช่างงดงามเหลือเกินเก้าช้างเหอผ่านการฝึกฝนมาจริงๆแม่ร่างกายกว่าครึ่งจะถลาลงไปแล้วแต่เขายังอาศัยแรงเอวอันแข็งแกร่ ง, งบิดตัวกลับมาคว้าแผงกั้นด้านหน้าของกระบะรถไว้ได้ทันท่วงทีซูมานอินสบโอกาสรีบคว้าแขนของเก้าช้างเหอไว้แน่นฉินเสียวเย่าได้ยินเสียงร้องก็รีบตะโกนบอกให้หยุดรถทันทีคนขับรถตกใจแทบแย่หลังจอดจอดรถแล้วก็รีบลงมาดูสถานการณ์ด้วยความลนลาน เป็นยังไงบ้างไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมไม่เป็นไรครับพี่ชายก้าวชังเหอตอบกลับด้วยรอยยิ้มแผงกั้นปิดไม่สนิทเกือบตกลงไปแล้วขอโทษทีนะเดี๋ยวผมรีบปิดให้ขณะที่คนขับกําลังปิดแผงกัน้นฉินเสี่ยวเยาว่าก็เดินเข้ามาหาด้วยความหงอยใหญ่ในตัวซูมานอินฉันไม่เป็นไรแต่หัวหน้าสถานีเก่าตอนที่ซูมานอินดึงแขนเกาชังเหอเธอสัมผัสได้ถึงรอยแผลบนแขนของเขาพอลองลูบดูในตอนนี้จึงพบว่ามีเลือดออกเสียแล้ว แผลเล็กน้อยเท่านั้นเก้าช้างเห่อปาดเลือดที่แขนออกปลอบใจอย่างไม่ใส่ใจนักประเดี๋ยวแผลก็ตกสะเก็ดแล้วไม่ได้ต้องฆ่าเชื้อที่นี่เหรอเก้าช้างเหอเองคอมองสูม่มานอิงด้วยความสงสัยสหายฮซูเตรียมจะเอาอะไรมาฆ่าเชื้อละซูมานอิงยิ้มอย่างเจ้าเล่ถึงได้บอกในว่าหัวหน้าสถานีก็มีวาสนาเสี่ยวเยเว่เอาเหล้ามาชินเสียวเย่าหยิบขวดแก้วออกมาจากอ ก, อกเสื้อแล้วยื่นให้ซูมานอิน ซูมานอินใช้ฟันกัดเปิดจุกออกโดยตรงแล้วยื่นขวดไปวงเวียนอยู่ใต้จมูกของเกาฉางเหอเออ ก, กัวโถขวดนี้เดิมทีตั้งใจจะให้หัวหน้าสถานีก็ดื่มแต่ตอนนี้คงต้องให้แขนของท่านชิมแทนแล้วล่ะซูมานอินกรอกเหล้าเข้าปากตัวเองอึบใหญ่เกาฉังเห ở. ออึ้งไปยังไม่ทันตั้งตัวแขนก็ถูกซูมานอินคว้าไปเสียแล้วจากนั้นเธอก็พ่นเออร์ ก, กัวโถใส่แขนของเขาจนชุ่มสีดเกาฉางเหอครังออกมาตามสัญชาตญาณเล่านี้แรงได้ใจจริงๆ อึกเดียวไม่พอซู ม, มานอิงพ่นใส่อีกอึกเออสหายซูเพลแล้วครับเกาฉังเหอรี่ห้ามเหลือไว้บ้างเธอเหลือไว้ให้ผมดื่มบ้างซู ม, มานอินหยุดไม่ทันผลคือเออกวัวโถอึกใหญ่พ่นใส่ตัวเกาฉังเหอเขาเ้าเต็มเต็มตายจริงดูฉันทําเข้าสิขอโทษทีนะซู ม, มานอินรีบใช้มือเช็ดให้แต่กลับสัมผัสได้ถึงความแข็งกระด้างราวกับแผ่นกระดานสักผ้า เกาช้างเหอสวมเสื้อกล้ามผ้าฝ้ายสีขาวเดิมที่มันค่อนข้างหลวมจึงมองไม่เห็นอะไรแต่พอถูกเล่าจนเปียกชุ่มและถูกซูมานอินรูปเช็ดรูปร่างของมัดกล้ามท้องก็ปรากฏออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนชิ้นเสี้ยวเยเวที่กำลังยืนดูเรื่องสนุกอยู่ถึงกับตาค้างเธออดไม่ได้ที่จะเงยหน้ามองดวงจันทร์กลมโตบนท้องฟ้าอียาแสงจันทร์คืนนี้ช่างงดงามเหลือเกินเกาช้างเหอรีบดึงเสื้อกล้ามให้เข้าที่เอสหายซูไปนั่งข้างหน้าเธอครับจะได้ไม่กระแทกมากเช็ดกลิ่นแล้านี่ฉันก็เริ่มทนไม่ไหวเหมือนกัน ซูมานอินยัดขวดเหล้าและฝาใส่มือเกาชังเหอเออหัวหน้าสถานีเกาท่านค่อยๆดื่มไปแล้วกันนะซูมานอินรีบลงจากกระบารถด้วยท่าทางราวกับกําลังหนีตายหัวหน้าสถานีก็อย่าดื่มเยอะนักละ่ะชินเสียวเย่าแอ บ, บช้ำเลืองมองหน้าท้องของเกาชังเหออีกครั้งดูแลเนื้อพวกนั้นให้ดีนั่นนั่นมันกล่องดวงใจของแม่น้อยฉันเลยละ่ะไปได้แล้วซูมานอินลากฉินเสี่ยวเยา่าไปที่หน้ารถแทรกเตอร์ทั้งสองแยกกันนั่งบนบังโคลลล้อทั้งสองข้าง รถแทรกเตอร์เริ่มเคลื่อนตัวอีกครั้งเสียงเครื่องยนต์ที่ดังครื้นคร้าในตอนนี้กลับฟังดูไพเราะและเข้ากันอย่างประหลาดเกาช้างเหินกำขวดเอ่อกัวโถไวแน่นอยากจะจิบสักอึกแต่ก็กลัวว่าจะเมาจริงๆริชินเสียวเย่เว่เดียวก็มองกระบะรถเดียวก็มองไปข้างหน้าในหัวอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเนื้อเพลงขึ้นมาจันเคลื่อนฉันคล้อยตามส่งพี่ชายถึงปลายสะพานซูมานอินรู้สึกแปลกใจฉินเสียวเย่เว่ร้องเพลงในยุคนี้เป็นได้อย่างไรแถมยังไม่หลงทีเสียด้วย ชินเสี่ยวเย่เวเองก็แปลกใจเหมือนกันไม่รู้ทําไมเพลงนี้ถึงเหมือนสลักอยู่ในหัวเธอจึงทาออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติดวงจันทร์กลมโตลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าแสงจํานวนต่อับไล่ไปตามถนนในหมู่บ้านอับไล่รถแทรกเตอร์และอับลไล้ใบหน้าที่กําลังเคลือบเพลิมของทั้งคนร้องและคนฟังเมื่อรถแทรกเตอร์มาถึงชานเมืองรถจี๊ปคันที่มาส่งพวกเขาเมื่อเช้ายังคงจอดอยู่ที่ปั๊มน้ํามันหัวหน้าสถานีกับรถจี๊ปของท่านนี่กินน้ํามันเก่งจังเลยนะฉิ้นเสี่ยว เ, วเวย่เย้ยวเล่น ผมเตรียมการไว้ก่อนมานะ่าเราคงแบกเนื้อกลับไปเองไม่ไหวหรอกเก้าช้างเหิ อ, อธิบายพลางยิ้มก่อนจะหันไปยัดบุหรี่หนึ่งซองใส่มือคนขับรถแทรกเตอร์ขอบคุณมากครับพี่ชายเดินทางปลอดภัยนะหัวหน้าสถานีเกาเกรงใจเกินไปแล้วอาจารย์คนขับพยายามส่งบุหรี่ขึ้นมาแต่เก้าช้างเหอนกดมือเขาไว้อาจารย์รับไว้เถอะครับไม่อย่างนั้นวันหน้าผมคงไม่กล้านั่งรถของอาจารย์อีกอาจารย์คนขับนึกถึงอุบัติเหตุเล็กน้อยระหว่างทางก็ยิ่งรู้สึกผิดมากขึ้น รับไว้เถอะพี่ชายเดินทางช้าๆหน่อยนะครับระวังความปลอดภัยด้วยซูมานอินและชินเสี่ยวเย่เว่โบกมือลาอาจารย์คนขับรถแทรกเตอร์เช่นกันหลังจากทั้งสาคนขึ้นรถจี๊ไปแล้วบรรยากาศระหว่างทางก็ดูแปลกๆเล็กน้อยคนขับรถหันมามองผู้อํานวยการเป็นพักๆผู้อํานวยการครับนี่คุณดื่มเหล้ามาเหรออาดื่มไปนิดหน่อยนะชาวบ้านเขาต้อนรับขับสู้ดีเกินไปชินเสี่ยวเย่าแอ บ, บอยู่ด้านหลังพรางดึงแขนซูมานอินไว้แล้วพยายามกลั้นหัวเราะ รถขับมาส่งทั้งสองคนถึงหน้าประตูบ้านเกาฉางเหอช่วยอุ้มเนื้อเข้าไปส่งถึงในห้องครัวซูมานอินเห็นเสื้อกล้ามผ้าฝ้ายของเกาฉางเหอเปื้อนจนสกรปรกในใจก็รู้สึกไม่ดีเป็นอย่างมากผู้อํานวยการก็รอสักครู่นะคะเกาฉางเหอคิดว่าเธอจะรังให้เขาอยู่กินข้าวจึงรีบปฏิเสธอย่างลนลานคือสหายซูไม่ต้องลําบากหรอกครับพวกเราอย่างพูดไม่ทันจบซูมานอินก็ถือเสื้อกล้ามผ้าฝ้ายที่สะอาดตัวหนึ่งออกมา นี่เป็นเสื้อกล้ามที่เตอ๋อช้างซื้อไว้เขายังไม่ทันได้ใส่เลยถ้าคุณไม่รังเกียจก็เปลี่ยนใส่ตัวนี้ก่อนเถอคะค่ะใช่ค่ะเปลี่ยนเถอะชินเสียวเย้าช่วยขยันขยอยอยู่ข้างๆทั้งกลิ่นเล่าทั้งกลิ่นเนื้อหมูติดตัวไปหมดใส่ไว้แบบนี้กลิ่นแรงแย่เลยเก้าช้างเหอรับเสื้อกล้ามมาอย่างลังเลก็ได้ครับงั้นผมกลับไปเปลี่ยนที่บ้านเปลี่ยนที่นี่เลยสิคะชินเสี่ยวเยวนินาทำไมข้าพู้อํานวยการก็ยังอายอยู่อีกเหรอเปล่าครับเปลี่ยนเถอคะคเดี๋ยวฉันเอาตััวนี้้ไปก อันนี้ไม่ต้องจริงๆครับผมซักเองได้ไม่รู้เพราะอะไรเกาฉางเหอถึงได้รู้สึกประม่าขึ้นมาเสียดือด้อเอาเถอะข้านั้นคุณก็เปลี่ยนเถอะเดี๋ยวฉันกับเสี่ยวเยเว่จะหันหลังให้ซูมานอิน ล, ลากชิ้นเสี่ยวเยเว่ที่ดวงตาเป็นประกายให้หันหลังกลับไปชิ้นเสี่ยวเยเว่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแต่พอซูมานอินไม่ทันสังเกตเธอก็ยังแอบหันกลับไปมองตั้งสองครั้งผมเปลี่ยนเสร็จแล้วครับเกาฉางเหอเอ่อยเตือนงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ ไม่กินข้าวก่อนค่อยไปหรอคะคําชวนนี้ของฉินเสี่ยวยาวดูจะขาดความจริงใจไปสักหน่อยก็ช่วยไม่ได้ในเมื่อฝีมือการทำอาหารของพวกเธอทั้งคู่ห่วยแตกสิ้นดีมื้อเย็นก็คงได้แค่แทะขนมปังข้าวโพด ท, ที่ลุงหวังให้มาเท่านั้นไม่สามารถรังแขกไว้ได้จริงๆไม่เป็นไรครับปกติมื้อเย็นผมกินน้อยขอตัวก่อนนะครับซูมานอินและฉินเสี่ยวเย่เวเดินออกไปส่งจนกระทั่งรถจี๊ปขับออกไปไกลแล้วทั้งคู่จึงเดินกลับเข้าบ้าน ใหญเพื่อนสนิทแม่เลี้ยงเธอเห็นกล้ามท้องของผู้อํานวยการเกา่าหรือเปล่าอย่างน้อยก็แปดลูกเลยนะฉินเสี่ยวเย่าเธอเลิกทาตัวเป็นพวกบ้าผู้ชายได้ไหมฉินเสี่ยวเย่าทําหน้าเศร้าพอฉันก็ดีใจแทนเธอนะจะเพื่อนสนิทแม่เลี้ยงซูมานอินกรอกตาใสชินเสี่ยวโย่เย่อใหญ่รีบไปเริ่มหั่นเนื้อตุ๋นเนื้อได้แล้วพรุ่งนี้พวกเราต้องลุยงานหนักกันนะไม่จริงหนะน้าซูมานอินฉันยังท้องว่างอยู่เลยนะทําเสร็จค่อยกิน เธอมันใหญ่นายทุนผู้ชั่วร้ายใหญ่นายทุนผู้ชั่วร้ายคนนี้จะให้เธอกินเนื้อเอาไหมหละ่ะเอาเอาคุณหนูใหญ่นายทุนฉันรักเธอที่สุดเลยขณะที่ทั้งสองคนกำลังหยอกล้อกันอยู่นั้นจูจๆก็มีเสียงเคาะประตูมาจากด้านนอกแม่ครับพวกแม่กลับมากันหรือยัง